เทศในคืนวันที่26ตุลาคมพศ2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธพ์วรารพรจากกรุงเทพมหานครจะเป็น ขี่กันก็ไม่ส่าเทศทุกคืนทุกคืนตั้งแต่วันที่สองด้วยมาคำเทศก็รู้จะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเจ็บเลอกผสมน้อยหรืละยังไงก็พรุณา ฟ, ฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมาก ให้พอดีกับเวลาที่ท่านพูทจะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มือก็คืนทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคีอกายวาจาใจของเราการเดินทางทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้อง ผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตอนเองเท่านั้นเดือมัคโคคือมัชชิมาปชิบัตหาที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล่าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้ และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัจจิมาอยู่ตลอดไปสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติที่มีความเชื่อความเล่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัจจิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดําเนินในทางไรบรรดากูศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว ยอมเป็นคว า, ามถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นาศาสนธรรมจรึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการคือไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยแล้วกตมิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัย พภาสาธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทยของพระพุทธเจ้าเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ที่มุดบุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอมจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในใจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลส เครื่องส่งเสริมจะเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักทำคำตังสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลสินอันจมอมจอมทั้งหลายเป็นเครื่องดําเนินก็ไม่ทราบวาจุดหมายปลาทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้ อ, อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใด ึไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี่เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปลี่ยนวาจาถึงท่านว่าพุทธังฉะนังขะฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทำ ม, มังฉะนังขะฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม สั่งขังทานนงข้าฉามนี้พระพุทเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทําไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายกว่ากองจึงไม่เปลยนวาจาและอุทิศน้ําใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจง้งแห่งแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระไถยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชชิมา ทำที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยทอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงฆสาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นสรรนงังคาถามีอันมือสุดสุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอบพระการทระปฏิบตัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละ บรรดาท่านผู้มิเศษทั้งหลายที่เรากาอ้างมาเป็นสารานนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใด น, นอกจากมัชฌิมาปฏิบัติที่พระองค์ประทานวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบาเพ็ญกุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึขอได้พากันเจริญบาเพ็ญไปเรื่อย จนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการปุูกพืชดีปฏิบัติชอบรือจักทุงงามความดีทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอด จิตของเราทําอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสําหรับบํารุงบําเหน็จในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอั น, อนแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจาจิตใจของตนเพื่อเป็น ค, าความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญ ทำบุญก็คือความสุขภูษณ์ก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดมะสะแสหลักความสุขได้พระพุทธเจ้า ก, ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข่าสุกหรือเป็นภัยต่อพระทัออกได้โดยสิ่นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าภูษณ์ผลที่ปรากฏก็คือบรมมาสุขได้แก่นิพพานังปรามังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงกรองอยู่ตลอดไป มีเกิดขึ้นจากความฉลาดคาว่านิพานังปรามังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สําเร็จมรรคผลนิพพานแต่การเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกัน เราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจึงกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งสุบัตินี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยานักกายบำรุงมาตลอด ถ้าไม่เข็นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องเครื่องอาศัยซึ่เป็นอาหารของของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่องเข้าไปรังควานหรืทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลาย อารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบาแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสุสลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสําคัญแต่พ อ, อย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจต้นล้วนคือการกําหนดจะ ก, กําหนดทำบุตรใดก็ตามเช่นกําหนดพุโทโธพุโทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในความริกรรมของตน หรือจะกําหนดอนาปานาัสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกทิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกํากับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทํางานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออนาปานัสติเป็นต้นจิตจะอย่งเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบ เท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความพุ่งสร้างวุ่นวายอันเป็นการก่อปวนจนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุขท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้า ท, ทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติ มีอนาการนาัติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญใกะก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใ จ, จมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสาระของใจพุทธทางสนางคฉามิเราก็น้อมพระพุทธทเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจ ทำมังสนางกระฉามิเราก็น้อมเ อ, อาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทังขังสนางกระฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาถูกจิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจแล้วมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบุตธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะนั้นเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน พอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงไรก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสาระเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แลที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะ ต, ตามกันไปเรื่อยเรื่อจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติ มีถึงพระนิพพานเป็นสําคัญพระปราดทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดําเนินคําว่ามัชฌิมาปฏิบัติคือแนวทางที่แนวทางที่ถูกต้องมีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสําคัญแต่การบําเพ็ญกุญงามความดีย่อมขัดต่อพิเลศพิเรศ เ, เป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทํากุญงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆ กิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลําบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิ ด, ค ด, คดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้ายตลอดเวลาไม่สําคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลส หลอกวงพวกเราเราจึงเป็นปตาที่แถวของกิเลสอีกเสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเขาเหตุอะไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันในถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ท่านเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยตัดตอนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงผัวพันอยู่เสมอ ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพราะอํานาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกแต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์ที้เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมา ไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อปิติใจของสัตว์มากน้อยถ้าบอกมีมากก็ระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายต า, ตามกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพรา ะ, ราะอํานาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมานั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอําอนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันมีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ รงรับดับกิเลสไปด้วยชั่ ว, วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่า ข, ของการภาวนาหรือของาศาสนาแต่พื่ออย่างยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้านภายในจิตใ จ, จขณะนั้นแลจิตใ จ, จเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็น นับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและส่องแสงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายใน จ, จิตใจท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนับตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวาที่เราอ่านในตำหัตรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่าน ความฟุง้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนธรรมาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคำพิเดใดแปดพันสีพันพระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจับตัวบุคคล น, นี้อย่างเดียไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนาธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสน า, รรสารรก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะกระพฤตปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้ ถึงได้ประทานโอาวาทไว้กับชุมนุมคนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละมีได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุง้งซ่านหุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจพระาะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาว น, นาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญา พิจารณาถึงเรื่องแตรลกักคือในจังทุกขงาาังนาตาซึ่งประกาศต่างวานอยู่ภายในการในจิตของเรล่านี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านใจตองด้วยความรอ บ, อบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจ ได้คิดใจตรงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้ขิเละพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอานาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิ้เลสและกิ้เละมีคำ ม, มีการยอม เฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกจนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ต า, ามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยคำว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจ ท่านชี้ในตำลับตำนามากน้อยเชิงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะศาสตร์ธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราศัสตร์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์ข้ามาทุกทุกที่ไหนเป็นสําคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมี ในราเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงมุนวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษทัยแก่ตัวเองจึงต้องในรับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมูทัยเป็นผู้ฝิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันลิ้นรัดดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมูทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมูทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจ มากได้แก่สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยคิดปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใจปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลําดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจอ ย, ย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอํานาจแห่งสติปัญญาเป็น เครื่องำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกาวไว้ทุ้งสามกสมุทยัยมักได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ออก ออกได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลําดับลําดับลาดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอํานาจของนักอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินีเรียกว่าสัดจะทำทั้งสีได้ทํางานโดยสมบูรณ์คือมากก็ทํางานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้งสี่อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทํา ทุกสมูทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับบุคคลหนึ่งไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้ให้กันและให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกขกับสมูทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แลเป็นตัวกั้นกลางมรรคนิพพานให้เกิดถ้ามีขึ้นมากคือข้อปฏิบัติ คุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดที่้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามากสองสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความจิดฝังทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทยัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากหาง สิ่งที่เป็นฝากเป็นหนามและเกียร์กิเลสอาสวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่พระผู้นี้เป็นผู้เศร้มองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก่ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความถนาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนีมแ래ที่ท่านว่านิพพานัง p รมังสุขังเราจะตหานิพพานที่ไหนกัน ถ้นหาที่จิตบริสุทธิ์วิมุตต์พระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่า น, านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนทำพุทธิจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจเรียนรู้เหตุรู้ผลตามความมีความตามตามหลักธรรมที่พุทธิจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลำดบับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานลักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมา ธ, ธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อ เราได้อบรมให้มีความสามารถแจ ก, กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสฉาณาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทําลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลส จ, จะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใ จ, จมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไปพคือฉนั้นความสว่างตาปวดเพิ่มความมืดหายไปหมดไม่ได มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะถทําลายความมืดทของเราไปหน้าอย่างนี้ไม่มีสําคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ทั้นในเรื่องกิเลสจะมืดมากี่กับที่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กันแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความไม่สุขขึ้นมา นี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระเจ้ามีมัติมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัติมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัติมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออํานาจของมัติมาปฏิปทานนี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัติมาต้องควรแก่การแก้กิเลสแก้ความขั้วตำรายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบคัคนิส ท, ที่จรณา เราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสําหรับเราก็ให้พี่มีความขยันหมั่นเพียรกระพืดปฏิบัติทําจากสิ่งที่มัวหมองพายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งจขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญเพื่อําอนาจแห่งการกระพืดปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรในเวลาจึงขอยุติดลงเพียงเท่านี้เวลนี้เราปฏิบัติยังไม่เข้าหรอแล้ทราบแบ่งว่ามันไม่เข้าทำาายังไง ออประนทิบบาทแหลกประหมดอย่างนั้นหรืออาธินาทานแหลกประหมดงนั้นหรือการไม่ชจาแรแหลกประหมดมุตสาวาทแหลกประหมดบูราแหลกประหมดกินทุกวันอย่างั้นหรือถึงว่าผิ่เรามัชฌมาฮะเพราะว่าไมาเาเา่เข้าใจค่องั้วนี่ว่าไม่ถูกว่างั้นก็ต้องถามเพิความไม่ถูกทำยังไงถึงไม่ถูกไงเพราะว่างั้น <c oughs> คือยจะฟังประนิบาทให้ฟังแล้วหลักการบัณิต ท่านขออธุบายว่าอย่างชัดเจนเนาะมัตสึมาปฏิาญีปุ่คืออะไรบ้างธรรมารที่ติดธรมาสังคโปร์เป็นต้นความเห็นยังไงมันชอบคือเป็นการแก้ที่เลสความเห็นยังไงเป็นการส่งเสริมกิเลสเราก็พอจะทราบได้ถ้าให้ถูกใจสงบไม่ได้ใจสงบได้ก็แสดงว่าถูกกล้องเพื่อสงบทำภาวนาถูกกล้องการทำศีลดี พอทำเรื่อยๆก็ข้ายื่นไปเรื่อยๆถ้าเป็นการเสริมกันเรื่อยๆมันก็ยิ่นไปเรื่อยๆเมื่อยังเด็กเมื่อรับการบํารุงอยู่เสมอเด็กก็ข้าเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจะว่าเด็กยิ่นไปเรื่อยๆก็ได้แต่เขาไม่ยอมเรียบกันขาเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าสิ่งใดถ้าได้รับการบํารุงส่งเสริมอยู่เสมอทั้งฝ่ายขั่วฝ่ายดีจะมีความเจริญขึ้นดังนั้นทางดีเราก็พยายามส่งเสริม หรือว่มึงสมมิว่มันก็ค่ายิ่งขึ้นเรื่อยๆทีจเจริญขึ้นเรื่อยๆอธิานอธิษฐาอธิษิตขาอะไรท้กว่าออกลงไปมองไปตอไก็รรา่านี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดกันนะน สิธิ่ังปัดิกัง่งคุมหางคิประเมวนิมิรตูสัเทตูเรนตูสังกับปาจาันโทปณระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวีวาชันตุสัพพะโรโควินัส ต, ตุมาเตภวัตมันตราโยสุษีทีคายุโคภะ อะพิวาธนะศีริสระมิจจังมุธาปชาญโนจตตาโรโอธรรมาวัฏธ า, าติอายุวันโนสีพางอาลางภวะตุสับพมังคารังภรักขันตุสับพภพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสรังคานุภาเวนสัาพสุธีภาวันตุเต